เที่ยวเากาะหลอนที่ภูเก็ต ส, สัมผัสสยองเรื่องนี้เป็นเรื่องจากพี่สาวของเราเองตอนไปเดี่ยวสงกรานในปีที่ผ่านมาซึ่งเหตุเกิดที่จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดภูเก็ตเคยเป็นสถานที่ที่น่าสลดใจจากเหตุการณ์สึนามิและมีเรื่องเล่าอีกเยอะมากเริ่มกันที่เย็นวันนั้นพี่สาวของเรานำส ม, มุิว่าพี่ก้อยได้เดินทางกลับจากหาดหาดหนึ่งกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาตินำส ม, มุิว่าไมเคิลพวกเขาได้ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่ง แต่ทว่าวันนั้นรถติดมากจึงทำให้เดินทางไปถึงโรงแรมล่าช้ากว่าจะถึงก็ประมาณสามทุ่มแล้วอีกอยและคุณไมเคิลได้วางแผนไว้ว่าจะไปเที่ยวครับของโรงแรมต่อสถานที่แถวนั้นเป็นภูเขาติดกับทะเลด้านบนจึงมีแต่ป้ายที่พักเป็นช่วงๆตามถนนพื้นที่ป่าถูกทางออก เพื่อสร้างเป็นที่พักทางโรงแรมต้องการที่จะซื้อพื้นที่เพื่อสร้างครับแต่ซื้อไม่ได้เลยต้องตัดสินใจไปสร้างห่างจากโรงแรมประมาณ5กิโลเมตรที่โรงแรมจะมีบริการรถชัตเตอรบัสไปรับส่งแต่รอบสุดท้ายจะหมดช่วงสี่ทุท่มตอนนั้นก็สามทุ่มกว่ า, วาแล้วถ้ากลับด้วยชัตเตอร์บัส คงไปได้แค่ชั่วโมงเดียวพี่ก้อยและแฟนจึงตัดสินใจขับรถที่เช่าไว้ไปกันเองบรรยากาศข้างทางตอนนั้นก็มืดมามีแสงสว่างแค่จากป้ายที่พักเท่านั้นด้านข้างก็เป็นป่ามืดถนนสองเลนอยู่ระหว่างกลางจึงต้องเปิดไฟสูงเนื่องจากมาเที่ยวจึงไม่รู้เส้นทาง คุณไมเคิลจึงใช้ GPS บนโทรศัพท์แต่เผอิญว่าตอนไปทะเลก่อนหน้านั้นไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์ไว้อีกเครื่องหนึ่งของพี่ก้อยก็แบตหมดไปแล้วเพราะใช้ถ่ายเซลฟี่และไลฟ์สดจนแบตหมดเลยใช้โทรศัพท์ของคุณไมเคิลแทนตอนนั้นแบตเหลือไม่มากนักเปิดแป๊บเดียวแบตก็หมดแล้ว คุณไมเคิลจึงหยิบโทรศัพท์สมดองที่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ยี่ห้อเอสสองตัวรุ่นเก่าซึ่งบอก GPS ช้ามากทำให้พี่ก้อยและไมเคิลหลงทางทั้งสองคนเริ่มหงุดหงิดด้วยความที่ทางมันมืดและวังเวงมากมันเลยมีความคิดที่ไม่น่าคิดผุดขึ้นมาในหัวของพี่ก้อยว่าที่นี่แม่งโคตรมืดเลย แม่งจะมีผีเปล่าวะเพราะขับไปได้สบักทางมันจะเป็นทางขึ้นชันๆหน่อยเพราะขึ้นไปได้ก็ต้องหักเลี้ยวเลยขณะที่ขับขึ้นไปอยู่นั้นก็มีแต่ไฟหน้ารถที่ส่องถนนอยู่แล้วไฟนั้นก็สาดส่องกระทบกับผู้ชายคนหนึ่งใส่กางเกงสามส่วนเสื้อลายรูปร่างท้วม ยืนอยู่ข้างทางที่มืดมากพอไฟหน้ารถเริ่มฉายสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็เห็นส่วนบนของชายคนนั้นที่ยืนอยู่ปรากฏว่าเขาไม่มีหัวตอนนั้นพี่ก้อยเริ่มใจคอไม่ดีแล้วรถก็วิ่งเข้าไปใกล้าชายคนนั้นเรื่อยๆแต่พอเข้าไปใกล้ยังจุดที่ชายคนนั้นยืนอยู่เขาก็หายไปแล้วพี่ก้อยเริ่มชก นิ่งตาค้างพูดอะไรไม่ออกนึกในใจว่าโดนเข้าแล้วเจอแล้วแ น, แน่แต่ตอนนั้นไม่พูดอะไรเพราะไม่อยากให้ไมเคิลตกใจพอผ่านช่วงนั้นมาได้แค่แป๊บเดียวก็เห็นไซต์งานสร้างอยู่ทางขวามือเป็นตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จและยังมีอุปกรณ์วางอยู่เกลื่อนกลาดอย่างนั่งร้านที่ตั้งอยู่หน้าตึก ตรงด้านหน้าก็จะเป็นป้อมยามป้อมยามนั้นถูกพันไว้ได้วยผ้าใบสีฟ้าขาวลายทางที่ไว้ใช้รองพื้นเวลาทําก่อสร้างแล้วก็มีไฟห้อยอยู่ตรงกลางทําให้เห็นเป็นแสงสว่างออกมาจากป้อมแล้วไมเคิลก็รีบขับรถพุ่งไปทางนั้นเพราะเห็นมีเงาอยู่ข้างในคิดว่ามีคนอยู่ หวังว่าจะเข้าไปถามทางพิก้อยตกใจหนักขึ้นกว่าเดิมเฮ้ย <"He i, S 1> ทำอะไรไมเคิลไม่ตอบแต่ขับรถพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเปิดกระจกรถแลวอาปากถามพิกอยรีบตีขาแฟนตัวเองแล้วบอกว่าคุณจะทำอะไรนะ่ะออกไปนะขับออกไปเดี๋ยวนี้ปิดกระจก พี่ก้อยโวยวายเสียงดังจนทำให้ไมเคิลโมโหแล้วหันมาถามว่าเพ็นอะไรของคุณผมกำลังจะเข้าไปทมทางเขาแล้วแท้ๆมาที่ทำไมพี่ก้อยพยายามตั้งสติแต่ตอนนั้นสติแตกไปแล้วตอนนี้ไม่อยากไปขับแล้วอยากกลับที่พัก แล้วทั้งสองคนนั้นก็ทะเลาะ ก, กันมาตลอดทางแต่โชคยังเขาข้างที่บุกเขาขับไปเจอคลับของโรงแรมพอดีที่นั่นกว้างมากเป็นสถานที่ที่ไว้สำหรับสายปาร์ตี้โดยเฉพาะทั้งคลับบาร์คูปาร์ตี้สำหรับชาวต่างชาติระหว่างเดินออกจากรถคุณไมเคิลก็ยังไม่หายโมโหจากเมื่อกี้ เลยถามพี่ก้อยว่าทำาไม่เกิดอะไรขึ้นเล่าให้ผมฟังมาสิพี่ก้อยพูดว่าเมื่อกี้ตอนคุณขับรถไปทางป้อมยามคุณเห็นคนหยุดตรงนั้นใช่ไหมแต่ฉันไม่เห็นคุณอาจจะไม่เชื่อเรื่องผีนะแต่ฉันเชื่อแล้วระหว่างนี้ห้ามพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องผีเปน็นอันขาดเพราะเหตุการณ์เมื่อกี้ทำมอพี่ก้อยช็อกมาก แล้วทั้งสองคนก็เดินขึ้นไปชั้นบนมีเสียงเพลงดังๆเหมือนขลับโดยทั่วไปพอเดินไปถึงก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยมีแค่ฝรั่งนั่งดื่มกันอยู่สองคนแต่ไหนๆก็มาถึงแล้วฮิกอยจึงตัดสินใจว่าช่างมันดื่มให้สนุกก็พอแต่ยังไม่ทันไร คุณไมเคิลก็แทรกขึ้นมาว่าคุณรู้ไหมว่าพีของอิสลามน่ะไมเคิลยังไม่ทันพะูดจบพี่ก้อยก็เปร้อแตกทันทีแล้วเดินฟึดฟัดไปนั่งหน้าระเบียงด้านนอกซึ่งด้านนอกจะเป็นสระว่ายน้ำกับเตียงนอนอาบแดดเรียงกันข้างสระหันออกไปทางทะเลคุณไมเคิลก็เดินตามพี่ก้อยแล้วมาทะเลาะกันต่อ ตอนนั้นพี่ก้อยลืมเรื่องผีไปแล้วเพราะใจจดจ่ออยู่กับการทะเลาะตรงหน้าไม่สนแล้วผีขอให้ได้ทะเลาะไอ้นี่ก่อนระหว่างที่กําลังทะเลาะอยู่นั้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พี่ก้อยมองออกไปในทะเลแล้วพี่ก้อยก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่กางเกงสามส่วนเสื้อลายดอกตัดผมรองทรง ยืนอยู่หลังเสาข้างล่างแล้วเขาก็ขยับไปซ้ายทีขวาทีเสื้อที่ผู้ชายคนนั้นใส่ก็สะบัดไปสะบัดมาพร้อมกับลมทะเลด้วยตอนนั้นด้วยความไม่คิดอะไรก็คิดว่าคงจะเป็นคนทั่วไปแล้วคนคนนั้นก็เริ่มเดินออกมาจากเสาเขาเดินเดิน เดินเดินไปที่ทะเลก่อนที่จะหายไปในท้องทะเลเมื่อพี่ก้อยเห็นก็รู้ว่าโดนอีกแล้วไม่อยู่แล้วพี่ก้อยรีบลุกพรวดหนีอยกไปจากตรงนั้นแต่ไมเคิลก็จับและดึงแขนเอาไว้คุณจะไปไหนกลับมานั่งเลยนะนั่งนี่คิดว่าทะเลแล้วจะเดินหนีไปแบบนี้หรอ พี่ก้อยรู้สึกแย่มากคิดในใจว่านี่กูจะมาเที่ยวแท้ๆต้องมาทะเลาะ ก, กับแฟนแล้วยังจะต้องมาเจอผีอีกเหรอพี่ก้อยจำใจนั่งลงแล้วไมเคิลก็พูดว่าโอเคโอเคงั้นคุณพกป้องผมจากแมงสาบเดี๋ยวผมจะพกป้องคุณจากผีเองแล้วเขาก็ดึงพี่ก้อยเข้ามากอดพี่ก้อยนึกในใจว่า มึงจะมาปกป้องอะไรกูได้กูเจอผีมาสามรอบแล้วเนี่ยข้างนอกก็ผีเมื่อกี้ก็ผีแล้วพี่ก่อยก็พูดขึ้นมาว่าฉันไม่อยากอยู่แล้วกลับกันเถินนะตอนนั้นก็นึกได้วัาถีบามีฝรั่งนั่งกันอยู่สองคนพี่ก่อยก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาทันทีเพราะว่าเห็นคนตอนนั้นนึกถึงคุณแม่อย่างเดียว อยากโทรหาแม่ที่โรงแรมมากค้ากกับพี่ก้อยก็บอกไม่เคินว่าโอเคเดี๋ยวตอนกลับฉันจะหลับตานะไม่อยากเห็นอะไรอีกแล้วพอไปถึงคุณก็มองไปที่ป้อมยามว่าเห็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรนะค่อยบอกตอนถึงที่โรงแรมก็แล้วกันพอถึงโรงแรมพี่ก้อยถามว่าเจออะไรไหม ไมเคิลบอกว่าไม่เห็นใครแล้วแต่ประตูมันเปิดอยู่ไม่รอช้าที่ก้อยรีบเดินดุมดุมไปเคาะห้องแม่ทันทีเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังแม่ได้รับฟังแต่ไม่พูดอะไรตอนนั้นแม่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะแม่ง่วงมากหลับไปแล้วพอเช้ามาไมเคิลให้แม่พาไปส่งที่หาดหาดหนึ่ง เพราะอยากเล่นน้ำทะเลพี่ก้อยบอกแม่ว่าแม่อย่าลืมดูนะไอ้ตรงป้อมยามนั่นหนะักแล้ววันเดียวกันนั้นเองหลังจากที่แม่กลับมาแล้วแม่ก็กลับมาบอกกับพี่ก้อยว่าอืมมันมีอยู่จริงๆนั่นแหละใส่ก่อสร้างก็เป็นก่อสร้างร้างๆยังสร้างไม่เสร็จเลยอ๋อแล้วป้อมนั่นหนะักมันเปิดประตูไม่ได้นะ ถ้าใบมันพันรอบปั้มเลยมันไม่มีประตู ส, สัมผัสสยอง